แต่พวกเรานำสินห้าของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์ดูแล้วก็เป็นยังเป็นสินคุ้มของโลกสินห้าของพระพุทธเจ้าท่านวิคิดว่าอยากฆ่ากันคำว่าอยาคฆ่ากันคำนี้มันตัดรากเหง้ารากโคนแล้วแต่กฎหมายไนดะ้ยังว่าฆ่าสัตว์ที่ตัวเองเลีเ้ยงมาถูกต้องตามกฎหมายไม่ผิดแต่สินห้าของพระพุทธเจ้าแต่ ว, ว่าคิดฆ่าแล้วผิดทางนั้น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 เขาก็เสียใจเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศินข้อที่สองคืออาทินนาทานอย่าขโมยของเขาเสมมุติว่าไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขามาเรียกค่าไทยอย่างเนี้ย เ, เราเสียใจไหมถ้าเป็นมาเจอกับเราเราก็เสียใจถ้าไปเจอกับใครก็เสียใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าขโมยกันอันนี้นคือขโมยมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะอาทิ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 อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจยถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราก็เราก็เสียใจยเช่นเดียวกันวันนั้นให้สำรวมพระวังศิน่ข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดจิตเมื่อคนขาดจิตและทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างพวกคนดื่ม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 ตอนรับครับสู้เพราะว่าเราจะไปรับข้างในสลาไม่เพียงพอเพรคนมากเพราะฉะนั้นเราจึงรับกันข้างนอกศาลาหลังนี้แต่ว่าบวชที่จะบวชพระจริงๆคือพิสุงคามสิมมาอยู่ข้างในหยุดาลาหลังในเพราะนั้นเมื่อเรารับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนผู้เกี่ยวข้องเข้าไป